นี่เป็นการเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาได้ออกวาจาพร้อมหน้ากันว่าวันเข้าพรรษาในวันนี้ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้การเข้าพรรษาคือไม่ได้เที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนที่ไหนท่านให้อยู่เป็นที่เป็นฐานแต่การประกอบความภาคยา น, นั้น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนความภาคเพียรเป็นสำคัญตลอดเวลาสำหรับพระในครั้งพุทธการท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลานี้ศาสนาจะยังเหลือตั้งแต่ตัวหนังสือยังเหลือเหลือแต่คำพีนะขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกรู้ตัวเสีย จะไม่มีศาสนาอันแท้จริงเหลืออยู่ในวงพระพุทธศาสนาแล้วเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะความโสกโปกโสมงของกิเลสนั่นแหละมันก่อกวนทับถมตลอดเวลาไหลเข้ามาทุกทิทุกทางจนมองไม่ทันผู้มองนั้นอยวกปจะมองไม่ทันไอ้ผู้ไม่มองหลับตาให้มันสับมันเขกอยู่นี้มันมีมากต่อมาก สำหรับพระของเราไม่มีความหมายอะไรในความเป็นพระเลยบวชเข้ามาแล้วก็มาประกาศตนว่าเป็นพระเพียงเท่านั้นนอกนั้นให้กิเลสเอาไปถลุงหมดความชิดความปรุงทุกด้านทุกทางเป็นเรื่องของกิเลสนำไปถลุงเสียทั้งหมดทียาอาการคำพูดคำจาความเคลื่อนไหวไปมา ของพระเลยไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัวสติเน้นนิดหนึ่งที่จะดูหัวใจคิดปรุงแต่งไปในที่ต่า ง, างๆซึ่งเคยสั่งสมกิเลสปานมนานนั้นก็ไม่สนใจยับยั้งความคิดความปรุงของตนด้วยสติบ้างเลยเรื่องปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มีแต่กิเลสทางานทั้งวันทั้งคืนียาบทไม่เลือก เรื่องที่เลดทำหน้าที่ของมันสั่งสมกองทุกข์เข้ามาสู่ใจิตใจของผู้ปฏิบัติเราเส่นพระเรานี่สำคัญมากนะในรั้งพุูตการท่านเป็นแบบเป็นฉบับจริงๆบวชเข้ามาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดชาติชั้นวันณะใดก็ตามเมื่อก้าวเข้ามาสู่ ตาสวพัรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปียานมาหมดความคิดความปรุงการพูดการจาริยาความเคลื่อนไหวไปมาต่างๆหมุนเข้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นไม่ได้หมุนเพื่อไปถึงที่เละเพราะท่านสลัดมาแล้วแล้วท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการบาเพ็ญเพื่อชำระสะสารที่ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่าน ให้จาวลงไปจาวลงไปด้วยความภาคเพียรสติติดแนบกับตัวดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรในียบุตใดก็ตามถ้ามีสติกำกับใจอยู่เรียกว่าเป็นความเพียรทุกทุกอียบทจะเดินจงกลมไม่เดินจงกลมความเพียรคือสติจับกันกับจิตซึ่งเป็นตัวภัย ออกมาจากที่เหลือปรุงแต่งออกมานั้นจับตลอดเวลาไม่ละเว้นนี่คือผู้มีความเพียร น, นอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกคายไปในเนก้ยในภูมิใดสติก็ไม่ปักซจากมีสติครอบอยู่ได้เสมอเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากาหนดอยู่นั้นโลกกันี่เหมือนไม่มี เพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใดสร้างขั้งแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจเผาล้นจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพระเนาะฉะนั้นท่านคือไม่คิดออกไปหาเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดเข้ามาสู่จิตใจดูจิตใจผู้ที่จะเสา ะ, ะแสวงหา ผลประโยชน์ของมันด้วยอํานาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นอยู่ทุกขณะขณะไม่มันชิดออกไปผู้กรรําหนดคําบริกรรมภาวนาที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นสมาธิเลยก็ให้ถือคําบริกรรมภาวนานั้นเอนหลักเกณฑ์ด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับคําบริกรรม ทีติดกันอยู่กับความรู้นั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ปล่อยปะละเลยไปไหนเลยนี่เรียกว่าความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจํเอาไว้ผมได้ดาเนินมาอย่างนี้เมื่อเสาะแสวงหาจุดอันตายตัวยังไม่ได้ก็เสาะพยายามเสาะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะไม่รู้จักวิธีรักษา เบื้องต้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นหนามั่นคงมากแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิถีรักษาปล่อยใจเวลามาประกอบความภาคเพียนมันก็เสื่อมเสื่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วดึงกลับคืนไม่ได้พลิกกลับคืนไม่ได้นี่ละการสอสแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดําเนินอย่างแนบสนิท มันหาไม่ได้คิดไปยนไปย่นมาจึงมาะลึกถึงเรื่องความขาดสติเพราะไม่มีคําบริกรรมกํากับใจจึงต้องได้ปากจิตใหม่เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคบําบริกรรมอย่างเดียวคิดจะเสื่อมก็ตามจเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยคําว่าเสื่อมว่าจเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้ มาแล้วห้ามเท่าไรก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุโทโธแต่ไม่ได้กีดกันความเสื่อมความเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอยากเจริญก็แล้วแต่จะเจริญแต่คําบุริกรรมนี้เกาะติดไม่มีละเลยมีละตั้งเจียงตั้งจิต ต, ตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ขณะ ตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคําว่าพุทธโธกับจิดไม่ห่างจากกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพุทธโธติดแนบจนกะทั่งหลับไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยอ้ามันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเหล่านี้จะเสื่อมก็ให้รู้เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจนอิน้าละอาใจบัด น, นี้จะไม่เอาความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์ นอกจากคําว่าพุทธโธคําเดียวเท่านั้นเอาเสื่อมให้เสื่อมกับพุทธโธเจริญให้เจริญกับพุทธโธเอาเท่านี้เท่านั้นจากนั้นก็จับติดบังคับจิตไม่ให้นอกเหนือไปจากคําว่าพุทธโธบริกรรมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคําว่าพุทธโธกับสตินี้ติดแนบติดแนบกันเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วยจริงทุกอย่าง ไม่มีคําว่ารอเลยเมื่อคาบุญกรรมกับบุตรติดแนบกันไปติดแนบกันไปทุกวันทุกวันจิตก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัดเห็นชัดคําบุญกรรมนี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าคําบุญกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละเอียดเต็มที่แล้วคําบุญกรรมไม่มี ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทําไมที่นี่ความบริกรรมไม่มีจะเกาะอะไรยึดอะไรแต่ก่อนแล้วยึดคําบุญกรรมคือพุทโธพุทโธติดกับสติอยู่ตลอดเวลาแล้วบัด น, นี้คําบริกรรมนี่หายกําหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคําบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มีหมดต่อหน้าต่อ ต, อตาเห็นชัดแต่ความรู้ละเอียดสุ ข, ขุมมากทีเดียวตอนนั้นมีแต่ความรู้นึกพุทโธก็ไม่ออก ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่าถึงเวลากิจที่ละเอียดจริงๆแล้ว น, นึกคําบริกรรมไม่ออกนะไม่มีเอาไม่มีก็าตามเราจะอยู่กับความรู้อันนี้สติตั้งแต่คําบริกรรมเมื่อคําบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะตั้งอยู่กับความรู้อันนี้อ่าไปไหนจเจริญหรือเสื่อมให้รู้จะไม่ปล่อยจะเอาความรู้อันนี้แทนคําบริกรรม ถ้าติจับอยู่นั่นพอถึงการเวลาที่มันจะคลี่คลายตัวเองมันหักมีพอถึงเวลาที่คลายก็ค่อยคลี่คลายออกมาพอนึกคํามือกรรมได้ก็เอาคำมือกรรมติดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ประจำแล้วพอถึงเวลาที่มันละอเอียะก็ไปมันก็เป็นอีกทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ ละอยียกเต็มที่แล้วนึกคําบริกรรมไม่ปรากฏจะให้อยู่กับความรู้นั้นตั้งที่เคยปฏิบัติมาเอาเป็นไหนเป็นกันพอคลี่คางมาก็ที่จะนัดคำบริกรรมเข้าไปอัอนนี้คือเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีกอ๋อเะริจิตไม่เสื่อมค่อยสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปค่อยแน่หนามั่นคงขึ้นเป็นลําดับลําดับ ท, ที่พอจเจริญขึ้น ถึงขั้นที่เคยเสื่อมสองสามวันเจริญขึ้นแล้วเสื่อมสองสามวันเจริญขึ้นอยู่นั้นอยู่ได้เพียงสามวันเสื่อมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาบังคับยังไงก็ไม่อยู่ทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมลงไปอีกเราก็ปล่อยความเสียดายทั้งหมดนี่เราเคยเห็นมาแล้วเรื่องความเสื่อมนีถึงสามวันเสื่อมไปเสื่อมไปคราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อม เราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลยแต่คำบุญกรรมพุทโธนี้เราจะไม่ปล่อยอเสล่มก็เสื่อมไปเราเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกเพราะความเสื่อมอิกเป็นทุกข์มากที่สุดคราว น, นี้เราจะไม่ปล่าไรเสียดายกับความเสื่อมความเจริญนอกไปจากคำบุญกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี้เท่านั้นไม่สนใจเอาขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลง พุโทโธไม่ถอยไม่ถอยแล้วถอ ย, ถอยสุดท้ายถึงขั้นที่เจริญขึ้นไปสองสาวันแล้วเสื่อมนั้นไม่เสื่อมทีนี้ค่อยค่อยค่อยตั้งตัวได้ตั้งตัวได้เป็นลําดับลําลาเราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมันมันจะเสื่อมไปไหนเจริญไปไหนเราทอดอะไรตายอยางหมดแล้วนี่หนักเข้าหนักเข้าจิตก็ค่อยแน่หนามันคงขึ้นมาขึ้นมาจึงแน่ใจได้ว่า อ๋อขีดเล่าที่เจืเสื่อมที่เจริญนั้นเพราะเราขาดสติไม่มีคําบริกรรมกํากับเพียงแต่กาหนดเอาเฉยเฉยมันเผลอไปที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อมบัดนี้ไม่เสื่อมเพราะคําบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลาอยึดอันนี้เป็นหลักจากนั้นก็กล้าเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามันคงได้เอาคำบริกรรมไม่ถอยจนกระทั่งความ อแน่นหนามันคงของจิตนี่เป็นจุดตั้งแห่งสติได้เรียบร้อยแล้วสติก็จับอยู่กับจิดแห่งโพลูนั่นเลยที่นี่คาบริกรรมก็บหักปล่อยกันไปเองปล่อยโดยโดยความประจักษ์ตัวเองควรแกรการกําหนดกับโพลูนี่ด้วยสติแล้วก็กําหนดนั้นที่นี่ไม่เสื่อมตลอดไปนี่นี่แหละการตรั้งหลักฐานของจิตถ้าเราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ตัวเอง อย่างนั้นก็ไม่เสื่อมตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาตั้งลูกเพราะความมั่นคงของจิตในกั้นสมาธินี่เต็มภูมิก็รู้ว่าสมาธินี่เต็มภูมิเหตุการตั้งจิตในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าทําล้วหล่อแหละๆโยเลโลกเล่ห์หาหลักหาเต็มไม่ได้ ถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติจนกระทั่งวันตายจะไม่ผลประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีหลักยึดนี่หลักยึดได้สอนให้รู้แล้วทุกอย่างเราดําเนินมาแล้วได้หลักมาแล้วอย่างนี้ยังขอให้หยึดหลักนี้เป็นสําคัญมากทีเดียวอย่ากําหนดเอ้ความรู้เฉยแบบเลรลเลโลกเล่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักเลยเกี่ยนสุดท้ายก็ ยินหนาลอาจจะได้ปล่อยวางงานนี้ไปเสียเอางานทุงเยืเข้ามาแทนที่ทีนี้มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้วจอดจิตเข้าสติเข้ามาหาจิตจอไม่ได้ความพุ่งสร้างวุ่นวายกับกิจการงานต่างๆกับโลคกับรังสารมันดึงออกไปดึงไปที่นี่จิตก็เพ่งประจามมันเสียนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพ่ากันจำเอาไว้นะเพราะจอดจิตเข้ามาไม่ได้ กองไฟของกิเลสมันแสดงเผาทันทีมันไม่ยอมให้จอดสติเข้ามานี่ได้แล้วมันดึงลากดึงออกไปหาอารมณ์ภายนอกเทิมเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่และนะักภาวนาล้มเหลวท่านทั้งหลายจํำเอาไว้นะมันร้อนขนาดไหนฟาดบะลงที่นั่นนั่นแหละกองไฟอยที่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นมันผิดไฟคือกองทุกข์ขึ้นมาเผาเรามันเผาขึ้นจากกิเลสตัวมันผิดขึ้นมาหนุนขึ้นมานั่นแหละสติจอดลงไป ให้มันรู้อยู่กับตรงนั้นเอามันจะเป็นไฟทั้งกองมีู่ในจิตตรงนี้ให้สติรับคําบริกรรมนั้นจอกันตรงนั้นเผากันตรงนั้นต่อไปไอ้นี้ก็จางไปเอง น, น่จางไปเองเพราะว่ายอมให้คิดออกไปหาอาหารของกิลฟฟเลภายนอกมาเป็นไฟเผาเราจิต ก, ก็แน่นขึ้นมาอีกให้จำเอาไว้นะวิธีการเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้วันนี้สอนวิธีการให้รู้ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์คาบริกรรมอย่าปล่อยนะ ปล่อยไม่ได้ฟัดกันในเต็มเหนียวเลยนะยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคําบริกรรมให้ติดแนบกันเมื่อถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคําบริกรรมก็ค่อยจางไปเองถือความเด่นดวงของความรู้นั่นเป็นจุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเลยนั่นทีนี้ได้หลักเข้าไปเรื่อยๆละความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนคําบริกรรม แน่นามันคงจากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่มตัวไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางสิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อกวนเรามาเป็นานานานแล้วพอมีสมถตาธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่อง เ, เลี้ยงจิตใจใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์ทีนี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสกุลลกายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาไปหมดในส่วนหนังร่างกายของเราจะเป็นร่างกายภายนอกภายในยได้ทางนั้นขอให้เป็นสติจับตลอดเวลาก็แล้วกันกายนอกคือกายของเขาก็ดีกายในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้ทาง น, านั้นทางแยกทางด้านปัญญา หิจตน์าอสุภาอสุพังอสุอสขังวันนี้จังนาตาถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาเอ า, เอาข้างนอกมาคำนวณพีนี่พิจารณาเอาอันไหนมันสวยสวยงามพิจารณาหาความสวยงามมันอยู่ตรงไหนนี่อาการพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแ ย, ยกขันธ์ที่ขายออกอถลกหนังออกพี่ขายออกเอาหนังออกแล้วไปยังไงมนุษย์เราเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าเขาว่าเรา ว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรไหนไม่มีมีแต่นนหนังห่อกระดูกอยู่แค่นั้นแหละมันหลอกลวงโลกท่านจึงสอนว่าตะโจตะโจถึงนั่นแล้วหยุดเพราะหนังเป็นตัวสําคัญมากห่อคนทั้งคนห่อกระดูกทั้งกองห่อจับไจใส่ผงของ ก, กระโปกทั้งพวงหนังห่ อ, อไว้เช่นนั้นจึงมาหลอกรวงตาฟาัมได้แล้วก็หลงตามนั้นเอาขี้คลายออกนี่เรียกว่าปัญญาท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนั้น พี่ขาออกให้ชัดเจนไม่ใช่ห น, หนึ่งหนเดียวนะเอานี้เป็นงานพอปล่อยจาก ง, งานนี้ก็เข้าสู่สมาธิทำความสงบใจปล่อยอารมณ์แห่งของการทำงานด้วยปัญญานี่เข้าสู่ความสงบใจพากติตให้เป็นสมาธิสงบใจแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ก้าวเดินออกอย่างค่องตัวพอออกนี้พิจารณาอีกอันเก่านั่นแหละ พิจารณาให้มันคล่องแท่ว่องไวพิจารณาข้างนอกเทียบข้างในพิจารณาข้างในเทียบข้างนอกเอาหลายครั้งหลายหนจนมีความชำนิชำนานความชำนิชำนานนี่ของทางปัญญานี่มันชัดเจนมากนะเวลาได้ชำนิชำนานแล้วมองดูอะไรนี่ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่เลพิจารณามาพอแล้วนะอืมดูอะไรเมื่อปัญญาคล่องตัวว่องไวแล้วนี่ดูคนนี่สมมติว่าเราพิจารณา อ่าเข้าไปเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เป็นกระดูกนี้พอพิจารณาไปหนงังจะไม่เห็นเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในนั่นมันไม่ได้ดูหนังที่ว่าสวยงามเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในพิจารณาสกลกายทุกสัตว์ทุกส่วนมีแต่ของประจุลเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบคุคคลแต่เหตุใดที่เด็กมันมาหลอกว่าเป็นของสวยงามได้เห็นไหมมันตกตาเราด้วยของปลอม ของจริงเวลาปัญญาอย่างเข้าไปมันเห็นไปหมดแล้วจะเอาของสวยของงามมาจากไหนแล้วจะติดกันที่ตรงไหนจะรักชอบกันที่ตรงไหนจะติดจะพันกันที่เต่าไหนมันเห็นชัดเข้าชัดเข้านี่คือความจริงไม่ต้องหลอกมันปฏิกูลจริงจรางจำเราธรรมชาติของของของมันแต่เราเสกสรรพั้งย่าว่ามันสวยมันงามนั่นคือเรื่องของจิเตตัวจองปลอมมันหลอกเราก็หลงเครื่องหลอกทีนี้เมื่อหลงแล้วก็ตื่นกับมันไปเลย เป็นเรื่องความทุกข์เขาเรื่อ ง, องไปเรื่อยมีลตปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะอืมเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนะทํางานด้วยปัญญาก็เอากินเอาจังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตั้งขึ้นลงมาพิจารณาอีกแตกลงไปพิจารณาอีกครับแล้วย้อนเข้ามาดูตัวของเราพิจารณาตัวของเราเอาแตกลงไปเอเมื่อวันแตกลงไปแล้วจิตมันยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาขึ้นมาภายในจิตใจแล้ว ความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั่นก็มีประมาณพลังของจิตมีมากขึ้นความคล่องแคล่วของจิตมีมากขึ้นการพิจารณารวดเร็วมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือปัญญาทํางานแล้วเห็นโทษเื็นภัยแห่งสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่ามันเป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์น่ารักใครชอบใจนยุ่จ้างออกไปจางไปเลยต่อไปก็เหลือตั้งแต่กองกระดูกนั่นนี่ละปัญญากองกระดูกกองเนื้อกองหนังซากศพเป็นซากศพตายเป็นอันเดียวกันนั่น ไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันมีหนังหุ้มห่วไว้เท่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาให้คล่องตัวอย่าไปคิดจะไปคาดว่าจะถอดจะถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้อย่าไปคาดนะให้ดูความจริงมีความจริงจะบอกขึ้นมาควรควรถอนตรงไหนมันจะถอนเองควรอิ่มพอตรงไหนมันจะปล่อยอมันเองร่างกายทุกสัดทุกส่วนเมื่อเวลาพิจารณาด้วยความพอพอแล้วมันจะถอนเองเคยพิจารณาพัวพันกันมาขนาดไหนก็ตามเหมือนกับเรารับทาน รับทานเรื่อยๆมาหยุดไม่ซ อ, อยเพราะอิ่นแล้วมันก็ปล่อยเองนี่ก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาขั้นนี้จนทำนี้ทำนานแล้วมองไปที่ไหนมองบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นสภาพเหมือนเราพริจารณาแล้วทั้งนั้นหนังหอกระดูกแล้วก็มีเห็นงแต่โครงกระดูกเห็นแต่เนื้อแต่หนังแล้วแต่มันจะชัดเจนด้วยปัญญาของเราในแง่ใดให้เราถือแง่นั้นเป็นหลักเพงพิจารณาเป็นหินรับปัญญาตลอดไป นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเนื่องเมื่อมันมีความ เ, เหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี้เป็นงานของจิตทางด้านปัญญาย่อมทํางานตลอดไปเมื่อทํางานมากๆแล้วย่อมมีความ เ, เหนื่อยเมื่อยล้าถอยเข้ามาพักในทางสมาธิเพื่อเอากําลังหินเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วย่อมปล่อยวางงานทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตัวสบายยิ็นปล่อยวางภารละเหมือนถอดเสื้อถอดน้ําเวลานั้น ดูกับความสงบนั้นเสียไม่ต้องยุ่งกับงานเวลาให้สงบให้สงบจริงๆไม่ต้องยุ่งอย่าให้มาเกี่ยวข้องกันเวลาให้สงบให้สงบจริงๆนี่เรียกว่าสมาธิพอพอตัวแล้วถอยขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่ไม่ต้องยุ่งกับสมาธิเอาทางปัญญาให้เหนียวแน่นมั่นคงมีความชำนิชนานาญเข้าไปโดยลําดับ พอเนหนื่อยไม่ลาเราก็รู้เราเองเข้ามาพักสมาธินี่เปรียกว่าการพิจารณาอย่างราบรื่นดีนะไม่หนักไม่เบาตรงไหนตรงไหนนี่เคยผ่านมาแล้วจึงได้รู้เลยนํามาสั่งสอนหมู่เพื่อนถึงขั้นปัญญาเผลินตัวนี้เพลินจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะอืปัญญาถึงขั้นเห็นเหตุเห็นผลของร่างกายเป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะราคะตัญหาอยู่กับร่างกาย โลกทั้งหลายป่วนปั่นวุ่นวายกันตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากที่สุดเราจะเห็นได้เวลาขึ้นเวทีไม่มีกิเลสตัวใดจะหนักหนว่วงทวงจิตใจบังคับจิตใจยิ่งกว่ากามเมื่อกิเลยกามเมื่ ก, กิเลือยู่กับร่างกายเมื่อร่างกายเบาลงเบาลงสิ่งเหล่า น, นี้ก็เบาไปตามกันเมื่อพิจารณาร่างกายรอบสลัดสิ่งอันนี้ออกมาแล้วเรื่องกามเมื่อกี้มันก็ขาดไปด้วยกันอันนี้เราจะไม่บอกเรื่อง ขอให้พิจารณาตามนี้ก็แล้วกันผลจะปรากฏขึ้นมาแก่ผู้บำเพ็ญเพราะบอกไปแล้วมันคาดมันหมายไม่ดีเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นจากผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะยังไงก็ตามขอให้พิจารณาร่างกายให้ช่ำชองให้ชนีิดชำนานมองดูอะไรให้มันเป็นกระดูกเป็นกองกระดูกเป็นกองเนื้อกองหนังไปหมดไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เปอยู่คนผู้หญิงเป็ชายไม่เห็นว่าว่านหนังเป็นยังไง ไ, ไม่เห็นมันทะลุก็ไปหมดเลยนี่เรียวกว่าปัญญาชำนาญ เป็นเองนะเวลาถึงขั้นสานานแล้วคล่องคล่ อ, องแค่ว่องไวัยหมุนตัวเป็นเกี้ยวไปเลยนี่จากนี้ไปแล้วก็เป็นปัญญาตโนมัตินี่แหละขั้นเริ่มเริ่มเป็นปัญญาตโนมัติจะเริ่มปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายคล่องแค่ว่องวเขี้ยบขาดทันกับการมัธยเหล็เป็นลําดับลําดานี่แหละปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจนทยานมากที่เดียว เหมือนกับน้ำไหลโจนลงจากภูเขาเสียงสนั่นหวั่นไหวปัญญาขั้นกลาเมื่อกี้เลยขั้นร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดผลโจนทยานมากเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ที่หนักหน่วงท่วงจิตใจมากปติปัญญาที่จะฟาดฟันหั่นแหละกับกิเลสประเภท น, นี้จึงต้องผาดผลโจรทยานมากมันหาควาเหมาะพอดีกันนั่นแหละกับผู้ปฏิบัติเขารู้ตัวเองนะ เราไปทําอ่อนข้อไม่ได้มันทําเป็นอยู่ในตัวเองถึงขั้นข้องแค่ว่วองไวนี่พริกสันเป็นคมพลิคมเป็นสันพลิกไปทลิกมาได้ร้อยสันพันคมอํานาจของปัญญาที่คล่องตัวเมื่อการพิจารณาร่างกายเป็นสาคัญเอาให้มันแหลกแตกกระจายนี่คือการพิจารณาร่างกายเอาให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเวลาเอาไปจริงๆแล้วมันชานิชานานพอตัวแล้วให้รู้ที่นี่นะ เอาที่นี่ตั้งกองอสุภาั้นไว้อจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเราก็ตามเป็นเขาก็ตามเอาตั้งกองอสุภาไว้ที่ตรงหน้าของเรานั่นแหละเรื่องของการทำร้ายมันรวดเร็วนะพอตั้งขึ้นพับนี่พิจารณานี่มันขาดสบะบั้นไปสันเทียนทีที่นี้เมื่อชํา น, น, นาญถึงขนาดแล้วเอาตั้งขึ้นดูมันต้นเหตุของสุภาษ์ของอสุภาษนั้นมาจากไหนให้ตั้งเอาไว้ตรงนั้นให้เพ่งดู มันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูมีระตัวสาคัญที่จะจับเงื่อนมันได้นะเอาตรงนี้เป็นจุดจุดท้ายของการพิจารณาร่างกายเมื่อชำนาญเต็มที่แล้วให้อามาตั้งไว้ที่หน้าเรานี่ลหละคือไม่ไม่ทำลายถ้าเป็นกองอสุภะให้มันเป็นอสุภะอยู่นั้นให้จ้องดูความเคลื่อนไหวของอสุภะที่ประจักษ์อยู่กับ ต่อหน้า ต, ต่อตาแล้วนี้มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเอาต้องดูมั้นมันจะมาจากจะเคลื่อนไปไหนเอาพิจารณาให้ชัดเจนถ้ายังมาชัดเจนพิจารณาอีกเอาจนกระทั่งแตกกระจ า, กกะจายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อพิจารณาแล้วมีความชำนาญล้วตั้งอีกดูอีกกำหนดความเคลื่อนไหวของมันมันจะไปไหนมาไหนเอาจนกระทั่งถึงรู้ต้นเหตของมันว่าออกมาจากไหน อสุภะอสุภังนี้ออกมาจากไหนใครเป็นผู้มาปรุงมาแต่งใครเป็นผู้มาสั้งคำนั้นหมายว่าเป็นสุภะอสุภะจับไปให้ดีแล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจทีเดียวนั่นละรากฐานที่มันจะถอนกรรมมรรคเลสมันถอนตรงนี้นะพอกําหนดเข้าไปแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาเองโดยไม่มีใครบอกก็าตามไหลก็ามาสู่ใจงาน ตรงนี้เราตรงที่จะตัดสินกันระหว่างการเมื่อกี้เสกับเรื่องของร่างกายจะตัดสินกนที่ตรงนี้แต่นี้อธิบายเพียงเพียงเป็นเงื่อนนิดหน่อยอธิบายมากเกิดความสําคัญมตนหมายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ผู้ปฏิบัตินั่นพิจารณาเองโดยเปิดทางให้ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเวลาเข้าไปเห็นตัวจริงเป็นสันติโกแล้วไม่ต้องไม่ต้องถามใครจะรู้ตัวเองนี่คือการพิจารณาร่างกายนี้สาคัญมากนะ เอาให้ห้่องแค่วเอาให้ ช, นชนานิชานาญแล้วอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ูจุดนี้นะไม่อยู่ที่อื่นนะนี่ยสวุภาตธรรมจัดไว้ชอบจัดอย่างนี้แหละให้เราพิจารณาตามที่ว่านี่ด้วยความมีสติสตังอย่าปล่อยอย่าวางอย่าลอหล่อเลยนะการประกอบความภาคเพียนของหมู่เพื่อนผมรู้สึกหนักใจมากทีเดียวนะเพราะไม่เคยทำมาอย่างนั้นมันขวางหูขวางตา ทนเอาเหมือนตาบอดหูหนวกดูหมู่ควันประกอบความภาพเคียนเนี่ยพดูขนาดนั้นแล้ดูหู่ควันเพราะเจ้าของไม่ทําดัางเอาจริงเอาจังทุกอย่างคิดดูเที่ยวไปเที่ยวกรรมฐ า, านเอาใครไปด้วยเมื่อไหร่ก็พราะจ่ออย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยเที่ยวไปอยู่ที่ไหนสติกับจิตติดกันแนบตลอดเวลางานการอะไรจึงมายุ่งไม่ได้คนใครใคก็ตามมายุ่งไม่ได้ อยู่รำพังคนเดียวฟัดกันตลอดเวลาตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมาที่เวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนประกอบความภาคความเพียรต้องหยอกเยาะแบบเอ้ยมันดูไม่ได้น ไ, ไม่ใช่ความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันความเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสด้วยความพังเผยไม่รู้เนื้อรู้ ต, ตัวตลอดไปพอเป็นได้สําหรับความเพียรนี้มันจึงไม่มีหลักมีเพียรทางด้านจิตใจถ้าลงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมทีเจ้าทรงส อ, งสอนยิ่งๆแล้ว ยังไงก็ไม่ผลมรรคผลนิพพานประจักษ์อยู่กับทุกคนทุกคนเป็นอาการิีโกอาการิโกนั่นน่ะทำเป็นอาการิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดมาทําลาได้ถ้ามีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องกันต่อดเวลาแล้วที่เหล็กก็พังไปพังไปโดยไม่มีการเวลาสถานที่เหมือนกันให้เอาจุดนี้ให้ดีนะหมายถว่ามรรคผลนิพพานสิ่นเสียสิ่งสงไมไหมมันชิดได้ด้วยกันนั่นแหละทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีมรรคผลนิพพานแ่ะ มันชี้เกียดชี้มาหมาเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกตเต็มบ้านตเต็มเมืองตเต็มโรกสงศารเห็นไหมคนชี้เขียดชี้มาหมาจากมฆของิุภาณมีแต่กี่ตักตวงเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาในหัวใจแต่และดองระดวงทั่วแดนโลกกราง น, นี้มีแต่ปืนแต่ไปทั้งนั้นตรงไหนที่มีความสุขความสบายตรงไหนที่ว่ามีความเจริญรุ่งเรืเองมันจะเจริญรุ่งเรืองที่ไหนแม้ที่มีแต่ที่เลยเผาหัวใจคน เพราะคนไม่มีมรรคผลนิพพานไม่สั่งสมมรรคผลนิพพานสังสมเจกิเลสมันก็ได้แต่พื่นแต่ไปมาเผารั่วนั่นเองที่นี่ยสําคัญตรงนี้นะก็นี่เราสังสมอัดสังสมทำด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนทำตุ๊บุญตุ๊บัติสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่สอนเพื่ออย่างอื่นอย่างใดนะแต่เรามันทะเลทลายออกไปแอําน้าของกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสุดท้ายก็มาโจมตีธรรมของพระพุทธเจ้าว่า มันศาสนาหมดมากหมดผลศา ส, สนาหมดเหตุหมดสมัยศา ส, สนาคืมศา ส, สนาล้าสมัยคนกิเลสมันมาเสกหลอกลวงสัตว์โลกคู่ตาบอดต่างหากแอันไหนที่ทันสมัยก็มีแต่กิเลสนั้นอะทันสมัยทุกวันนี้มีแต่กิเลสทันสมัยนะเยียบแหลกมนุษย์ไม่มีเหลือน่เวลานี้อันนั่นเจริญอันนี้เจริญอะไรก็เจริญทุกสิ่งทุกอย่างเจริญไปหมดถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสจะพอกพุนนหัวใจเอาไฟเผาตัวแล้วเจริญไปหมดไฟมันก็จ้องเจริญในหัวใจคนสิ เมื่อคนเป pues ็นบ <Yeah. S 2> ้าก <Yeah. S 2> ับกิเลสก็ต้องได้รับเพราะร้ายคือหัวใจเป็นเพลนเป็นไฟตลอดและหาดูที่ไหนในโลกอันนี้ใครจะทรงอัดทรงทำเป็นความสงบร่มเย็นได้แล้วอย่าเอาเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นมาอวดมาอ้างนะอย่าไปหลงสำคัญนะเมื่อคนมั่งคนมีคนมียศฐามรรคบริษัทบริวารสมบัตรเงินทองเขาของมีมากพีน้อยคนนั่นคือเขามีความสูขสุข อะไรนั้นคือเครื่องหลอกของกิเลสเอาไปมาเขาหัวใจคนต่างหามีมากมีน้อยความสุขไม่ได้ความทุกข์มันเหมือนกันหมดนะอืมเพราะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงท่านั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมใครยศถาบารสักสูงต่ำขนาดไหนแสกันไปอย่างนั้นแหละมีกิเลสพาให้เสกหลงตามกิเลสความทุกข์จึงไม่ได้ลดหย่อนลงไปทั้งคนมีคนจนคนโ ง, ง่คนฉลาดเป็นความทุกข์เหมือนกันหมดฉลาดก็ฉลาดไปตามกิเลสเสียเนี่ย โง่ก็โง่งไปตามกิเลสเสียเอาความสุขมาจากไหนฉลาดฉลาดโดยทำนั่นถึงจะมีความสุขนี่แหละเรื่องของโลกเราอย่าไปคาดไปหมายกิเลสมันเคยหลอกลวงมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ล่มจมในบัปต่างๆนี้กี่ภพกี่ชาติเราคนเดียวนี้นับตั้งแต่วันเกิดมาถึงท่าน ถ, ถ, ถึงวันตายของเราว่าเราเกิดกี่ภพกี่ชาตินับไม่หยุดไม่ถอยตายอย่างนี้กี่กับกี่กันก็พรกิเลสหลอกลวงนั่นเอง มี่ก็มีปลายที่ไหนกิ เ, เกลสหนะลอกลวงสารโลกกิเลสไม่มีคำว่าเท่าแต่ชรลาคําค้านนะหลอกตลอดไปหลอกตลอไปไม่มีคําว่าวัไวไมกิเลสหลอกเรื่อยๆถ้ามีธรรมสกัดรัดกัน้นแล้วยังไงก็ไม่มีทางยุติเลสลงได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสกัดรัดกั้นด้วยการบำเพำ็ญธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบตัติเอากําจัดบปันลงปลกิเลสนะนี่ละสะกัดรัดกั้นมัตตวลุลให้มันย่นเข้ามายนเข้าม า, มาเห็นประจักกับใจของเราเอง ไม่ต้องไปคาดไปหมายที่ไหนล่ะเวลาจิตสะกัดรัดกักก้นกิเลสตัวยุบยาสาวโซในเรื่องการเกิดแ ต, ดตายนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนตัววัฏจักก็อ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวมาหดต้นเข้ามาใจของเราก็ประจักษ์สมาธิเกิดขึ้นแล้วที่นี่มีทางที่จะก้าวทางด้านปัญญาเนี่ยที่นจะตัดหัวกิเลสให้ขาดสะ บ, บ้านขาดสะบ้าลงไปอัทงที่กล่าวเมื่อสักคู่นี้เอาขั้นนี้ให้ดีนาการยะกตาสติยาปล่อยเอาให้หนัก ให้ให้ทำงานกับอันนี้ออกจากนั้นให้เข้าสู่สมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำอย่ากนั้นปัญญาอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกและเราเริ่มตั้งแต่ขั้นการเมื่อกิเล็กขาดสะบั้นลงไปปัญญาสมมาตินี้จะหมุนตัวเป็นเปียวลื่นไปเลยได้รับได้จับยั้งเอาไว้นะความเพียรขั้นนี้ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติส่วนส่วนขั้นตายกักตาสติการพิณาสุภอสุพังสุภะสุพังนี้มันเป็นปัญญาชนมุลวุ่นวายเนี่ย แต่ว่าอัตโนมัติหรือมาตโนมัติมันก็ชุนละมุนของมันด้วยความคำนี้คำนานในสุภาอสุภานั่นโดยลำดับดาหมุนติ่อคนอยู่ในนั้นจะมาอตโนมัติก็ไม่ผิดโอจะทำไม่โดยสนใจแล้วว่าอัตโนมัติให้สิ่งล่านี้ได้ขาดสะบัดลงจากหัวใจแล้วเป็นที่พอใจหึงเรื่องร่างกายของเราที่ว่าสวยๆงามงามากี่กับอยู่กันตายกองกันอยู่นี่เพราะอันนี้เองเมื่ออันนี้เนีขาดลงไปด้วยอํานาจของปัญญาที่หมุนติ้อที่อื่แล้วมันก็ผ่านเปิงมาไล่ที่นี่พูดได้อีกแล้วต่อไปเนี่ย สติปัญญาจะหมูนเข้าสู่ทำละเอียดคือพวกนามธรรมกายมีเรียกว่ารูปธรรมพิจารณานี่คล่องแคล่วตัดกิเลสการเมาื่อกี้ขาดสะ บ, บั้นโง่กระจ่างนี้แล้วมีแต่นามธรรมาพิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงขึ้นที่กิจปรุงขึ้นที่กิตปรุงขึ้นอะไรไม่ว่าดีว่าชั่วปรุงขึ้นแล้วดับมันมาจากไหนความปรุงนี่มาจากไหนไล่เขาไปไล่เขาไปนั่นตั้งแต่ร่างกายเนี่ย ไล่เข้าไปแต่ร่างกายฟาดร่างกายให้มันแต ก, กกระจายลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดเพียงกามกิเลสขาดสะ บ, บั้นลงไปจากใจเท่านั้นโลกโลกนี้จะว่างไปหมดเลยนะตัวก่อเหตุตัวออกสนามรบเพื่อก่อไฟเผาโลกคือตัวนี้เองตัวนี้เองรู้ไดยชัดพอนี้ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรเผาอืมความภาคความเพียรหมุนตัวไปเองที่นี่ความเพียรได้ล้างเอาไว้นะขั้นนี้เป็นขั้นุนมูลวุ่นวายหนักมากเลยสุดความเพียรขั้นการมริเลศนี้นะ ต้องให้หนักผู้ปฏิบัติทำเมื่อเอาเนี้ขาดสะบนดลงไปแล้วอนนี้ผานเหมือนหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมนะที่นี่นะเอกิเลสตัวนี้เองมันตัวปิดกั้นเอาไว้ทุกทิ่งทุกอย่างมันปิดตันเอาไว้หมดไม่ให้เห็นอะไรเลยพอตัวนี้ขาดสะบัดลงไปแล้วมักคนิพ้ผานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้มนั้นแหละความมาความวาควา้วาตลอดเวลาด้วยสติปัญญาสม ม, มติหมุนตัวเป็นเปี่ยวได้รางเอาไว้นะที่นี่สติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัวตลอดเวลา มันเห็นพระชัดอยู่งั้นทีินักปฏิบัติน่ะเห็นได้ชัดแล้วทําไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าทรงถามใครบ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถามใครเออท่านทําไมเมื่อรู้แล้วท่านพูดได้เต็มปากก็มันรู้อยู่ที่หัวใจแล้วทำไมจะพูดมาได้ทอดออกมาจากหัวใจมาพูดทําไมจะพูดไม่ได้วะนี่เมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะออืมันชัดขนาดนั้นน่ะผมไม่ใช่คุยนะการปฏิบัติรรมมาเนี่ยทุก แง่ทุกมุมทุกระยะของการดําเนินของเรามันประจักษ์ตลอดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิดังที่กล่าวแล้วเริ่มดูคุ้ครานเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจนกระทั่งตั้งสมาธิได้แล้วก็มาติดสมาธิก็ดังที่กล่าวแล้วนั้นติดอยู่ห้าไปอีอ่าเพราะมันไม่รู้ทางเดินเห็นสมาธินั้นจะเป็นนิพพานไปเสีอตาอยู่ในนั้นด้วยความประมาทอ่ติดสมาธิอยู่ทั้งนี่ไะไรก็อยู่ได้จิตใจที่มีสมาธิแล้วมันอยู่ได้ทั้งนั้นสบายหมดโอดอิ่ม อะไรไม่สนใจทุกจนอะไรไม่สนใจเพราะอาหารของจิตพอแล้วอยู่ในใจเพียงสมาธิก็พอตัวพอตัวเมื่อยังไม่เห็นทำขั้นสูงจึงติดในสมาธิด้วยเหตุนี้ท่านทีสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธินี้ทําให้ติดได้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะผมออกแก่วามาธิผมไม่ได้ลืมนะคือมันติดจริงๆมันเพลินอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ไหนอยู่ได้ไม่มีเดือนปีนาทีโมงนะอยู่กับนั้นมันสบายตลอดเวลา มีเวลาก้าจากนี้ด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาขั้นแรกต้องได้บังคับออกนะออกจากสมาธิเนี่ยพอสงบแล้วให้บังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาไม่บังคับไม่ได้นะจะให้เกิดขึ้นมาเอง น, นั้นอย่าหวังนะนี่เลยพิจารณามาแล้วติดสมาธิห้าปีไม่เห็นเกิดปัญญาพอพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกทางด้านปัญญาก็มันพร้อมแล้วทางด้านสมาธิหมุนปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยทีเดียว ทีนี้มาเรียลับเดียนอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติวต้วตี้วตี้วเลยเนี่ยปัญญาทำงานพอหมุนติว้วเป็นระดับเขาเห็นผลเป็นระดับลำดาอืมฟาดเลือดขาด ส, สะบั้นเฉพาะอย่างยิ่งการมืมกีเด็ดที่เกี่ยวกับร่างกายนี้หนักมากนะถ้ะสติปัญญานี่หมุนติ้ยวเติ้ยวเติ้ยวหรือว่าอัตโนมัติหรือไม่อัตโมัติมันไม่ได้คำนึงกันมันชุนลมุนกันในขั้นนี้นะพอจากนี้แล้วมันก็รู้ได้ชัดเจนอืม พอเรื่องการเมื่อกเสร็เกี่ยวก็เรื่องร่างกายมีขาดสะบัดลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดนะข้าสุตรูเหมือนไม่มีมันก็มีตัวนี้ตัวเดียวฉะนั้นเป็นเครื่องหนักน่วงท่วงจิตใจพระมานจิตใจมากที่สุดแต่โลกได้รับความทุกข์มากที่สุดเพราะตัวนี้เองนั่นมันประมวลมาได้หมดไม่ต้องไปถามใครเลยพอตัวนี้ขาดกระเด็นลงไปจากใจแล้วไม่มีอะไรโลกนี้ว่างไปเลยมันว่างในขั้นนี้ ไม่มีกองทุกอะไรที่จะมายุแย่ก่อควรให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความดูดดือดทางด้านจิตใจเพื่อมักผลนิพพานขั้นสูงขึ้นไปและเอียกขึ้นไปยิ่งกว่านี้นี่แหละมันเป็นอัโนมัติที่นี่นะเรื่องสัญญาอารมณ์ที่คิดปรุงแต่งร่างกายมันหมดความหมายแล้วมันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วมันให้พิจารณานะนั่นล่ะร่างกายเมื่อพอเนกากรรมกิเลสขาดตัวลงไปแล้วร่างกายจะปล่อยเองนั่นมันอิ่มมันก็เป็นอย่างนั้นให้รู้เจ้าของเองสิ มันจะอยพิจารณานี้ตลอดไปนะถึงขั้นมันปล่อยบางครั้งไม่พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาก็มันรู้แล้วแนี่มันเอานี้มาดันทันทีแล้วก็ยอมรับกันทันทีแล้วก็ท า, างด้านสัญญาด้านนมามธรรมด้านนมามธรรมดู ด, ดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เมื่อมันยังมีเชื้อไปอยู่เสไหนไฟจะลุกลามไปเรื่อยๆเชื้อไฟในส่วนร่างกายหมดแล้วไฟคือสติปัญญาก็หยุดตัวไปเองท่านไปเองพอถึงขั้นขั้นไหนที่ยังมีเชื่อไฟคือที่นี่อย่างกลางอย่างละเอียดมันมีตรงไหน นั <necessary. S 2> ่นแหละเชื่อไฟมันก็ตามกันไปเผากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพินาเอาอสุภะอสุภังนี่แหละเอากิเลสตัวนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เสร็จแล้วแล้วนะมันเอาฝึกซ้อมไปในตัวของมันเองฝึกซ้อมเรื่องการมกิเลสทั้งๆที่มันรู้แล้วขาดสะบั้นไปแล้วก็ตามมันเอานี่ฝึกซ้อมซะก่อนมีมีมีนอกนิมิตในมันเอามาฝึกซ้อมภายในจิตใจจนกระทั่งนิมิตนี้ไม่มีเหลือส่วนร่างกายนี่มันหมดปัญหามันไปแล้วแต่ยังมีนิมิตอันหนึ่ง ที่มันอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเครื่องเล่นของปัญญาขั้นนี้ให้อการเมื่อกีเหลือนี่ละเอียดแล้วเอาสุดขีดก็ไปขั้นระดับที่สอบได้มีนี่เช่นเราสอบได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเรียกว่าสอบได้นี่ขั้นที่ขาดลงไปห้าสิบเอร์เซ็นตได้แล้วนี่ระดับของอันนี้ที่จะละเอียดเข้าไปเหมือนอย่างที่ว่าอนาคามีนั่นแหละละเอียดขึ้นไปนนอนาคามีพุทธิสิ่งการมข้ามละเอียดไปอีกเดิมๆระดั บ, ด บ, ดบ เนี่ยฝึกซ้อมอันนี้เอียดลงไปละเอียดลงไปเรืเ่อยๆถือขั้นกามกื่อกิเลส ท, ที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนิมิตอันนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตให้มีความฉันนิชำนาญในด้านนามธรรมาอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเมื่อเวลาเราพิจารณาทางนิมิตอันนี้หมดจริงๆแล้วมันไม่มีนะที่นี่ทีนี่ตั้งขึ้นพับดับพร้อมดับพร้อมตั้งขึ้นมันก็รู้หรือว่าตั้งขึ้นมาจากภายในใจไปเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกจากภายในใจมันรู้แล้วรู้แล้ว นี้ดับลงดับลงหยุดก็มีแต่ความว่างว่างว่า ง, างเรื่อยแล้วสัญญาอารมณ์คิดปรุงขึ้นมาอะไรก็ดับพร้อมดับพร้อมตามกันไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละเชื่อไปคือสัญญาอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนามธรรมานี่เป็นเชื่อไปส่วนนี้แล้วสติปัญญาตามฟ้องกันไปเรื่อยเื่อยเรื่อยจกนกระทั่งเข้าถึงจุดใหนั่นเพราะอย่างนั่นที่พิจารณานะ มันมันอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ออกมาจากจิตออกมาจากจิตไม่ว่าปุงดีปรุงชั่วหมายอะไรอะไรมันก็ออกมาจากจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตตั้งเข้าไปก็ไปถึงจิตพอเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เข้าถึงจิตจุดใหญ่แล้ยสิเออมันออกมาจากอันนี้ออกจากอันนี้หมือนกข้ไปก็ถึงอวิชาปัญญาสร้างคาราโอตัวใหญ่จริงมันอยู่ที่ตรงนั้นนั่นมันเห็นชัดเจนเข้าไปถึงนั้นแล้วก็พังกันตรงตรงนั้นเลยเอ่อ๋อมันเข้าตรงนี้เข้านี้พิจารณาเข้าในจุดนั่นที่จุดที่มันเกิดของ สัญญาอารมณ์ทั้งหลายวันนี้เมื่อพิจารณาก็เปนมื่ถึงจุดนั้นจุดนั้นพังกันเลยแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วถามหาสมัยนิพานก็อันนี้เองปิดนิพานพอเปิดจ้าขึ้นมาแล้วนิพานถามาอหไ่จอกแหนันปิดน้ําไว้นี่พอเปิดจอกเปิดแหน้มออกจากน้ําที่ถูกจอกแหน้ปกะคุณหมอกไว้ออกหมดแล้วถามหาน้ําทําไมน้ำอยู่ในสานั้นบึงบ่่นั้น เต็มอยู่แล้วนี่ถามพนิพพานเท่าไรกิเลสนั่นเองปิดพระนิพพานเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเอเจ้าเปิดออกหมดแล้วจ้าทันทีเลยถามพระพุทธเจ้าสมัยแม้ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ใจภายในหัวใจเหลือถามท่านาอะไรแล้วก็สิ่งที่มันเคยเป็นข้าสุก ก่ให้เกิดเพ้อเกิดชา ก, ก็ตามสะกดรอยมันมาตั้งแต่ต้นนี่พิจารณาร่างกายนี้เป็นสะกดรอยมาเรื่อยๆตั้งแต่สมาธากรรมฐานบริกรรมภาวนานั้นเรียกว่าสะกดรอยแห่งความเกิดตายของตัวเองเข้ามาเป็นสมาธิเข้ามาเป็นปัญญาคลี่คลายออกมาเนี่ยสะกดรอยของกิเลสตัวพาให้เกิดคืออวิชชานี่ยเนี่ยมันวางขายไว้หมดนั้นเหล่านี้เป็นขายของอวิชชาทั้งนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปเผาเขาไป การประธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเผาก็ไปเผาก็ไปจนกระทั่งถึงอะไรก็พังลงไปแล้วมันก็ผ่านไปพังอันไหนที่ยังมันก็ตามเผากันไปเรื่อยๆดังที่ว่าเนี่ยปัญญาส่สว น, วนยอดส่วนกลางถึงขั้นสติปัญญาสนทมัติมันก็หมุนตัวของมันไปเองเขากันไปเองจนกระทั่งเป็นสัทมาหาสติมาหาปัญญามันไปจาก ส, สติปัญญาสนทมัติที่ชํานาญตัวแล้วนั่นแหละไปเป็นมาหาสติมาหาปัญญา จากนั้นแล้วเราก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยมันเวลามันประจักษ์ในจิตอย่างนี้ไปหาพระไตรปิฎกที่ไหนมาวะ ม, มันประจักษ์ในจิตแล้วไม่ไม่สงมันไม่ถามใครอีกด้วยนะเออออกจากมหาสีปัญญาแล้วมันคืออะไรอีกนั่นแหะที่ละเอียดกว่ามหาสีบัญญามันคืออะไรนั่นเห็นอยู่อย่างงั้น่ะไม่มีในคัมภี์ก็ตามก็มันเห็นอยู่อย่างงั้นจะว่างัไงประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่แหละความละเอียดพอถึงขั้นออ่มหาสีบัญญาแล้วยังมี อันหนึ่งอีกที่ละเอียดกว่านั้นนั่นแหละจะเผาที่ละเลียดที่ละเอียดสุขคืออันนั้นเองเผาก็ไปเผาก็ไปละเอียดซึมซาบนี่ซึมซาบคือว่าเผาแบบซึมซาบนะสุดท้ายก็พังทลายหมดไม่มีเหลือเลยหัน่นเมื่อที่เหลยดพังทลายหมดแล้วไอ้เรื่องความเกิดตายมันก็ตามลอยมามาจนกระทั่งถึงตัวมันคืออวิชชาเนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตาย มันติดมากับจิตนี่แหละตามเข้าไปจนก็ตั้งถึงจิตทอนออกพวดออกไปแล้วทีนี้อะไรจะมาพาให้เกิดให้ตายตัวอะไรให้เกิดหรือตายพังลงไปแล้วเห็นมาจากต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรจะมาเกิดมาตายอีกเหลือแต่จิตที่บุยสวยงวนแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุจะมาเกิดตายที่ไหนอีกมันก็รู้อีกนั่นอันนี้ไม่ใช่ผู้เกิดตายผู้เกิดตายคือเชื่อของมันที่ฝังจิตมานั่นคืออวิชชาตัวนั้นพาให้เกิดหรตายตัวนี้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรเกิดตายมันก็เห็นจะชัดอย่างนั้นทีผู้ปฏิบัติ นี่ละการปฏิบัติทำมับูเจ้าสุดๆร้อนๆนะอย่าเอากิเลสมาหลอกนะว่าทํามาสมัยนั้นสมัยนี้อกิเลสมันมีสมัยที่ไหนเกิดมากับหัวใจของจักรโลกกี่กับตี่กันใครรู้เงื่อนก้นมันตายมันที่ไหนแล้วมันแก่ชราไปเมื่อไหร่กิเลสนั้นมันก็เป็นกิเลสบันญัติ่ํามตลอดเวลาเหตุใดมันจึงมาตำหนิทำมาคำคราาชราคือล้าสมัยไปได้นั่นเห็นไหมกิเลสหลอกคนทำมาฟาดหัวมันลงไปที่กิเลสมันมา มีมากกี่กับกีกันทำไมไม่เห็นคือมีรัสมัยแต่ทําทําไมคือรัสมัยนั่นฟัดอลงตรงนี้คือกิเลสแตกลงไปแล้วไม่มีอะไรบางคือรสมัศมีที่เหลียสอย่างเดียวมาว่าหัน่นเอามันอย่างฮั้นเลการปฏิบัติธรรมนี่ผมสงสารหมู่ขนะั้วนนายิ่งเข้ายิ่งแก่มาการเทศนาว่าการให้หมู่ขัวนฟังก็ลดมาหลายปีหยุดมาหลายปีแล้วนี่ก็พอช่วยโลกด้วยสงสารด้วยความเมตตาโลกนั่นเองจะทำเมื่ไงจะในบึกบืนทํานี้ในเวลานี้ก็ดี มีการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วหมดปัญหาไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงนี้แล้วเหมือนกันหมดถามกันหาอะไรของเดียวกันเท่านั้นพอกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่แหละจิตดวงนี้แหละลพอเราก็มาแยกออกมาพูดนะมันแยกออกมาตามหลักธรรมชาติของจิตที่มันรู้มันเห็นประจักษ์ใจนี่แหละแล้วแม้ออกมาจากคัมภีรไหนแหละเอามาจากความา จ, าจริงที่ปรากฏกับหัวใจตนเองพอมาถึงขั้นผึงเนี่ย นิเรศทางลงขาดสะบั้นลงไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ธรรมชาตินิรนล้วนแล้วอ๋อนิพานที่เราเคยคาดมานิพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่ขาดสะบั้นไปหมดเลยอันนี้กับนิพานที่เราคาดนี้กับธรรมชาตินี้เข้ากันไม่ได้เลยนะแต่ก็คือให้ชื่อว่า น, นิพานนั่นแหละจากนั้นก็แย่ยกว่าอีกนะให้มันถนาัดใจจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมชาติแล้วนั่นนะอันนี้เป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้ากระเทือนหมด ทั่วแดนโลกธาตุเป็นอย่างเดยวอกะนี้เป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้วพระพบริษพระอรหันต์องค์ไหนจัดรูปปั้นเข้าไปเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันเหมือนกับแม่น้ําที่สายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรสายไหนสายไหนก็เรียกชื่อได้ว่าสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ําบางปะกงเป็นตน้นเวลาไหลเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรคําเดียวกันั้นกัดเทือนกันหมดเลยอจะเรียกว่าแม่น้ําสายไหนอีกไม่ได้นี่เหมือนกัน ทีกองผู้บาเพ็ญทั้งหลายไม่ว่าใครๆก็ตามผู้บําเพ็ญเที่ยวกับแม่น้ําสายต่างๆไหลลงมาคือว่าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปใกล้เข้าไปการบําเพ็ญบารมีของตัเองใกล้เข้าไปเข้าไปพอถึงนั้นปึงเท่านั้นนั่นเราเรียกว่าเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรอันนี้แม่น้ําแห่งความรู้ของเรานี้เมื่อเต็มภูมิแล้วผึงเข้าไปเรียกว่าจัดทะรู้ธรรมนั่นล่ะ ถึงมหามีมุตดมหานี่ผ่านแล้วหรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกทุกองถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่า พ, พุทธเจ้ามีหรือไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วกระเทือนพระเจ้าทุกๆุกองมีมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าที่ตัดสรู้มาแล้วกี่กับขี่กันค้นับได้เมื่อไหร่เบื้องต้นเบื้องปลายของพระเจ้าที่มาตัดสัตรู้นี้ใครนับได้ว่านี่เป็นธรรมธาตุเหมืกันหมดนั่นพารหัน์ ที่เป็นสาวกของมั่นเจ้าทุก ора, ทุโบมีจ <c ambling kinds> er ํานวนมากขนาดไหนเมื่อเข้าถึงนี้แล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงมันกันหมดหรือว่าเป็นมหาวิมุนวานิพันหรือเป็นธรรมชาตุเหมือนกันหมดนี่ละสูญไปไหนพิจารณาสิธรรมชาตินี้สูญไปไหนแล้วน้ํามหาสมุทรทะเลหลวงเวลาในน้ำสายต่างๆไหลไปถึงนั้นแล้วไม่น้ํามหาสมุทรทะเลหลวงสูญไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันผู้บําเพ็ญกิตนี้เข้าถึงจุดมหาวิมุมหานิพัน์แล้วเท่ากับ ถึงแม่น้ำถึงหาสมุทรหลวงแล้วศูนย์ไปไหนนั่นมันเห็นประจักษ์งนั้นั่ะจะศูนย์ไปไหนแล้วผู้ทีเจ้ามีหรือไม่มีก็สงสัยไปไหนมันปรจักอยู่งั้นนะผู้ปฏิบัติไม่ได้เหมือนที่เราเรียนท่องบนทังวรตยตาจาคมภีบาลานเรียนไปเท่าไหร่สงสัยไปไนมันไมเป็นมาแ่้วนะผมไม่ใช่ตอไามา่ได้เฉยอนะีเรเรียนท่อสงบสังวรยาบาลเรียนบุญสงสัยบุไนมันไยงันนะผู้ปิัยดมนราเรียนท่อ ง, น, น, น, สงส น, นสันสงวรตยคำพีบาลนเรียนไปที่ไหรสงสัยไปไหนันไว้จักอยูน ก็ไปตั้งในทีต่อสู่กนิพานมีหรือไม่มีนะนั่นนี่แหละคือความเรียนที่เฉยจําได้เฉยเไม่ได้เห็นตัวจริงจําได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวจริงมีมสงสแต่ความสงสัยแบกความสงสัยไปจบพระไกรพิโดก็แบกแต่ความสงสัยเพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์จะเรียนขนาดไหนก็ตามจบพระไกรพิโด ก, ก็จบตั้งแต่ความจําเป็นนักกนิพานไม่ได้นะ ต้องเอามาปฏิบัติแยกมาถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าพระไกรพิฎ ก, กนั้นคือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับแปลนบ้านของเราชนิดต่างๆถ้ามีแต่แปลนเฉยวางไว้เต็มห้องเต็มหับมันก็เป็นแปลนไม่สมเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาถ้าต้องการเป็นบ้านเป็นเรือนตึกขนาดไหนหลังใดแล้วเอาแปนนั้นออกมากลาง้งแล้วปลูกสร้างประตามแปนนั้นแล้วนี่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาตั้งแต่เริ่มวางรากฐานก็เห็นแล้ว ท่านว่าปฏิเวทปฏิเวทก็เหมือนกับว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองปริยัติได้แต่แบบแปลนแผนถังของมรรคผลนิพพานปฏิบัติได้แต่การก้าวเดินเพื่อจะสร้างตัวจริงขึ้นมาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเริ่มตั้งแตจาิตเป็นสมาธิก็เห็นแล้วเนี่ยจิตของเราสงบนี่เริ่มเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาแล้วในขั้นของสมาธิร่างสมาธิได้ปรากฏขึ้นแล้ว สมาธิประเภทใดหนาแน่นขนาดไหนปรากฏขึ้นมาปรากฏมาเหมือนเขาสร้างบ้านตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขึ้นมาวางคานขึ้นมาจนกระทั่งตึกรามบ้านช่องสําเร็จลงไปแล้วนี่บ้านสําเร็จอันสมบูรณ์นี่ยอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สมาธิศีลแล้วก็ประจักษ์ในตัวของเราแล้วนี่คือภาคปฏิบัตินะศีลก็ปฏิบัติให้มีศีลสิยาสั่งมาเป็นผ้าหัวล้นอวดตัวว่ามีศีล น, นะไม่รักษาไม่มีนะศีลดีไม่ดีสังหารศีลให้ขาดก็บ้านไป ศีลไม่ติดหัวโล้นเลยก็มีเยอะนะถ้าเราอยากเข้าใจว่าจะมีศีลทุกคนไปนะไอผ้ผู้พวกไปพวกผีพวกสัตว์ลโลกพวกไม่มียางอายต่อศีลต่อธรรมนั่นแ่ะพวกทําลายศีลตัวเองแล้วก็เอาผ้าเหลืองครอบหัวล้นมาประกาศตนว่าเป็นพระเป็นพระนั้นทั้งๆ ท, ที่ไม่มีศีลจับตัวเนี่ยเพียงเรี่เฉยเฉยไม่ปฏิบัติตามแล้วยังทําลายศีลตัวเองด้วยนี่มีศีลที่ไหนความจมํามีข้อหมายอะไรใครก็รู้นี่ว่าศีลสองรอยี่เกศ แต่มันทำลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไรแม้ตัวเดียวศีลข้อเดียวก็ไม่มีเหลือเนี่ยความจําไม่เฉยมันทําลายได้นะเออมันไม่มีเป็นพักเป็นผลอะไรนี่ที่นี่เรียนขั้นใดภูมิใดก็ตามเรียนสมาธิก็มีแต่ความจําเรื่องบัญญาขั้นใดมีแต่ความจําตลอดมักฝนอยูานมีแต่ความจําและเต็มไปด้วยความสงสัยไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองนะผู้เรียนมากเรียนน้อยทําไม่ได้ปฏิบัติแล้วอยาอวดวางัันเลยนะเราเรียนมาแล้วเราจึงกล้าพูดอยู่ว่า แล้วก็บอกว่าเราเป็นนอนแท้กระดาษอายุเจ็ดปีเนี่ยเรียนมาเท่าไรมันก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วแต่แทกกระดาษนี้ยังมีภ่าปฏิบัติอยู่นานเราก็ดีปฏิบัติมาตุเรียนหนังสือเราก็ปฏิบัติหากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความชงใสยนี่นเป็นนอนแท้กระดาษมาตลอดนะจนกระทั่งออกปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่นี่นะศีลเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอบอุ่นเนี่ยประจักษ์ในหัวใจของเราเพราะเรารักษาเนี่ยรักษาคือการปฏิบัติ น, นั่นเองปฏิบัติรักษาน่งสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเรา สร้างใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนสมาธิมาธิก็เริ่มปรากฏสมาที่ขั้นใดสูงขึ้นขนาดไหนและละเอียดขนาดไหนปรากฏขึ้นเรื่อยๆเพราะการสร้างขึ้นเรื่อยๆได้วแก่การบําเพ็ญจากนั้นก็เป็นปัญญาปัญญาขั้นใดก็รู้ก็รู้นี่แหละเหล่าสร้างขึ้นเป็นภาพของปัญญาเป็นเรือนร่างของปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัญญาปัญญาขั้นใดมันก็รู้ขึ้นเป็นลาดับจนกระทั่งมหาปัญญาก็รู้จักรานี่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรียกว่าสร้างมรรคนิพพาน อสร้างขึ้นไปตั้งแต่สมาธิสมบัติอืมปัญญาสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นจนกระทั่งถึงมหาบิมุตตอจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญานี่จวนเสร็จแล้วนะนี่นะมรรคผลนิพพานบ้านอันสมบูรณ์สาเด็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้วพอกิเลสขาดสะบัดลงไปหมดแล้วนี่บ้านคืออันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้วนี่ปฏิเวทปฏิเวทความรู้แจ้งมาเป็นลำหนับตั้งแต่เริ่ม สีบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเองสมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองก็รู้แจ้งในตัวเองและปัญญาขั้นใดที่ ท, ที่เราพิจารณาแยกคลายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงหมหาสีมัญญาก็รู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดตะบันไปหมดกิ่เลืไม่มีอะไรเหลือเพราะจากแจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยก็รู้มาจากในตัวเองถามมูขวิจาสมัยนี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนกมาอยานี้ศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่เต็มบาท เต็มเต็งนะมีแต่ความจําอย่างเดียวปฏิปฏิบัติไม่มีปฏิเวสก็ไม่มีท่านธรรมดาต้องมีทั้งสามอย่างนี้ศาสนาจึงจะสมบูรณ์แบบทรงมรรคผลนิพพานไว้ได้อืถ้าไม่แตความจําไม่ทรงมีแต่ความจําเขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลยเรียนมากเรียนน้อยไม่มีปัญห์ไม่เห็นเป็นสาระปรโยชน์เลยดีไม่ดีเรียวกว่านอนแท้กระดาษอืมไม่ได้มีภาคปฏบิบัตินี่นะเรียนเฉยๆพระกบิโดกข่านถูก ถ้ไม่ผิดไปไหนแต่มันผิดที่บุติไปนอนแทกกระดาษเต็มไปด้ยวยความสงสัยไม่เชื่อตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้ในหนังสือเล่มเจแล้วเกิเลสกันหาก็ไปแทกแทกสงสัยนั้นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสไปลบมาบาปบุญนรกสวรรค์ภพมรลกไม่มีทั้งๆ ท, ที่ท่านสอนไว้ตำราว่ามีกิเลสมันเขาไปลบล้างจนหมดว่าไม่มีไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไปอย่างนั้นเต่บ้านเต็เมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่าน ท, ทั้งเอามันเหมือนกันหมดนั่นแหละ พระองคที่เหือมีได้หัวใจแล้วเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลําดับลําดาไปนั่นแหละไม่สงสัยในาการตั้งใจปฏิบัตินะ่ะผมนี่เป็นห่วงเเพื่อนว่าการเทศนาว่าการจอมืจอจับเพื่อนไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามผมไม่ได้สงสัยไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดถอต้องมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้ไปหาคัมภีรสาทุไม่ได้ประมาทคัมภีรนะแต่คัมพีรไหนเนี่มันกระจักแจ้งแล้วท่าน สอนอยู่คัมพนีนอกระสอนเข้ามาหากัมภีรในนี่แม้แล้วมันก็เป็นขึ้นเหนืกัมภีนในแล้วไปถามที่ไหนอีกเนี่ยการสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอนด้วยตำหรับตําราเป็นอันหนึ่งนะผิดกันมากนะสอนเอามาจากตำหรับตําราเอามาจากความจํจาเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้นี่ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มเหมืองมาจากไหนที่เวลาเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ถอดออกมานี้ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างไม่ว่าทำมากขั้นใดภูมิใด ถอดออกมาจากหัวใจหัวใจเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยไม่สงสัยไม่สงสัยผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะสิพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านเอาถอดออกหัวใจเอาทำออกมาจากหัวใจท่านจริงจริงมาสอนโลกพระอรหันต์ท่านถอดเอาทำมาจากหัวใจจริงมาสอนโลกพวกเราถอดออกมาจากความจำตามตำลับตำลามาสอนตัวของก็งมรูปคำคำที่สอนคนอื่นก็รูปรูปคำไปตามกันหมดเลยมหาหลักหาเกณฑไม่ได้นั่นงูงงงงปลาไปอย่างนั้นนะ มีหลักความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแท้ๆอยู่ที่หัวใจอืความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเมื่อรู้เรืนี้รอบโลกท้านแล้วสงสัยอะไรในโลกอันนี้ไม่สงสัยประจักนี้นะศาสนาพุทธเจ้าคือตลาดแห่งโขโพนิพานสฉดร้อนๆนะอาการดีโกอาการดีโกฟังสี่ธรรมพุทธเจ้ามีการสถ่อสารที่เวลาเลาที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชาญวรพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละ ถ้าปฏิบัติแล้วพระเจ้าปณิพันธ์ไปไหนก็ตามสวากาัธรรมจัดไปชอบแล้วนั่นนั่นแหละคือทางเดินนั่นแหะคือแบบแปลนแผ้นปังที่ถูกต้องทุกอย่างให้นํำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดีแล้วจะเราจะเป็นผู้ทรงมากทรงผลขึ้นในตัวของเราประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าให้เดินตามร่องรอยขี้ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชยัยอวีวรพระพุดที่เจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติให้เผลอไปตามหลักสวากาลธรรมนี้แล้ว อยู่ประทับอยู่กับผู้เจ้าก็ไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรโมฆะบุรุษโมฆะปิสูรนั้นพระกันตั้งใจปฏิบัตินะ่ะเอาจริงเอาจังนะนี่ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกย่ับมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดวงศธตาวาสนาของโลกก็อาจจะได้หรือเป็นอะไรกับเราไม่ก็เป็นได้เรื่องความเมตตาสําคัญมากที่เราจะให้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นำภิณโฉละหลาย แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าทำประเภทเหล่านี้ที่เราเราจะนํามาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบนะมันก็ออกมาด้วยความบ่นบนบรนดาลอย่างที่เห็นนี่แหละออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิเออจะอยู่เฉยไม่ต่อยนี่ความความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อยอยู่ในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหัวใจมาแล้วก็เคยได้พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วนี่นะว่าย้ อ, ยอกนกลับทางทั้ ง, งถึงวันสถานที่เดือนปีนั้นนะไม่ใช่ธรรมดา เคลื่อนคาดที่ไหนมาเ อ, อว่าตั้งแต่วันที่ 5, ที่ห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยก้าสิบสามบนหลังว่าโดยธรรมเจดีเวลาห้าทุ่มนั้นเป็นเวลาเผาศพทีเลืประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะเป็นนี่หัวใจนี่แหละแต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี้กับที่เหลือถ้าจากการนี้ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้แล้วตอนไม้พวกเขาก็อยู่ธรรมดาตแต่ระหว่างติดกับ อ่าที่เลสกับทาฟัดกันขาดสะบั้นจากกั น, นอเงยนี่แหละเวลาที่เลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาชุบยึ่นี่เมื่อปีนหนึ่งว่าโลกธาตุนิวันไปหมดจริงๆนะจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหโอ้หัน้ำตาลล้วงพากลงทันทีเลยนะโอ้โหหาทำหาที่ไหนหาที่ไหนทําอยู่ที่ไหนทําอยู่ที่ไหนน่ะนนัอุทานขึ้นมานะแล้วก็ว่าเราหาทาแบบกฎ สะพายบาดขึ้นเขาลูกนั่นลูกนี้่ล้วก็ว่าเราหาทำหาทำทำอยู่ที่ไหนเนี่ยมันคือเวลามันรู้แล้วมันทําอยู่ที่นี่ที่เราดําเนินนั้นก็ถูกถูกเป็นระยะระยะไปที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าทําอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่อ๋อเราก็มีวาสนาอยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยเคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้จะเห็นแม้นิพพานเราเคยเคยคาดว่าเห็นจะเป็นอยังไงนีน่ทีนี้เป็นยังไงไม่เนีย เรื่องนิพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่นั่นหายสงสัยกันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี้กับคําว่านิพานนิพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาตินี้คาดมาได้เลยแต่ก็ต้องเอาชื่อนะั้นเอามาใส่หรือมหาวิมุตมหานิพานมาเลยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่าธรรมธาตนะุเออเข้ากันได้สนิทนะนี่มันกระจ่างในหัวใจเพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้น เข้ากนไดสนิทหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันอรหันทั้งหลายทุกๆพระองค์พอถึงขั้นนี้แล้วป้าบนี่เป็นธรรมชาตุด้วยกันหมดแต่ก็ต้องเอาใช้ชื่อเพราะโลกนี้มีสมมติก็ต้องชื่อว่านิพพานหรือมหาวิมุติหานิพพานแต่ข้าว่าธรรมธาตุไม่มีค่อยมีใครพูดเราถอดออกมาพูดโดยไม่สงสัยอ๋อนี่ยธรรมธาตุแล้วเป็นอย่างนี้ฮัานนี่แหละผลของการปฏิบัติ ตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลศตัวใดเท่ามีหินเป็นทรายที่จะมาแทรกให้เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยกิเลศเราเนื่ว่าเขาสพมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโผล่ให้เราอย่างนี้ไม่เคยแล้วก็ไม่เคยสงสัยด้วยเพราะเรื่องสงสัยี่มันเป็นเรื่องก็มันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นแหะเฮ้อมันขาดตะบ้านไวแล้วสงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมูิอดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมูิธรรมชาติมันไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมูลเราจะเอาความเสื่อมหุ่นเดิมาจากไหนเรียกได้คําเดียวว่าธรรมชาติพอ พันปรจักตั้งแต่วันนั้นแล้วจะให้สงสัยที่ไหนอีกเราไม่เคยปรากฏนี่หละที่นำมาสอนโลกสอนที่แรกเราก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนก็สอนธรรมดาแต่เราไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำชาตคราวนี้ว่าเราได้รู้ได้เห็นนะเนีย่ยคราวนี้ได้ออกแล้วนะเออออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่ ่กองทัพพิเลสหูหนาตาทึบนั่นมันก็มีแต่คา่าขา้นต้านทานยาสนิจกรรมันคนที่ดียังมีอยู่เราสอนเพื่อคนที่อยู่เป็นสารประโยชน์คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจประทะประมะปล่อยทีเดียวเลยนี่แหละที่เรานําออกมาสอนเนี่ยที่ว่าเปิดเนี่ยนางทีพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีความวิตกวิจารณ์ว่าเร า, เาไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้นนไม่พูดยังไงว่างั้นเลยนะเราขึ้นทันทีเลยน ะ, ะคือว่าพูด เช่นว่าสำเร็จอารมณ์อรหานอย่างที่เขียนไว้นั่นแหละแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระอานองค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหนอย่างนี้นะแล้วเหมือนกับเป็นความเสียดจันเลยเสียดจันเลขอบคิเลดแล้วสิทมนั่นจะเป็นอะไรก็ทำเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิเลดมันตรงข้าสืึกของทมต่า ง, งหาไม่ให้ให้พูดอย่างนั้นเอีนั่นเห็นไหมคิเลดมันว่างนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่าไหลายบอกผมก็เคยได้ยินะว่าไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอยามันจะมาห้ามนะว่ะคิเลดมีสามดือนเราก็ท่านให้มาว่างั้นเลย เวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยทําครอบโลกธานแล้วจะไม่เราพูดได้ไงพระพระเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทําไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะว่างนี่เลยเอากิเลสตัวไหนที่มาคัดขา้ขานต้านทา น, ทานให้มาโบกมือหามันเลยเวลานี้ทำเต็มหัวใจครอบโลกธานแล้วกิเลสตัวไหนเจงให้มาว่างนันเลยหรือฟาดมันหงายหมดทั้งโคดลงทะเลนู่นวะเนี่ยเห็นไหมกล้าหาญไหม่ที่เราทํำถ้าลงได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสมอบทั้งหมดไม่มีตัวไหนจะมาก้า ถึงจะต้านทานก็ลมปากของพวกกิเลสต่างหากเราไม่มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราไม่มีมีจตความเมตตาสงสารพูดให้เขา อ, อเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องจนใจได้รับผลประโยชน์ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอเรื่องความอยากโอ้ อ, อวดเอาอยากมาจากไหนนั่นะก็มีเท่านั้นเองนี่ยถึงได้เปิดปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะว้างความเรื่อยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะอืมเราที่ได้กล้าพูดเลยว่าการทีน่นาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลา ที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วมสองปีมาแล้วนะแล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูงหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงอ่ลงยาเขาจะผิดนะว่างี้เลยเอไม่ได้แน่นะบอกแล้วแต่เหตุการณ์เขามาผ่านสามเดือนโลกธานนี้เอาตัวไหนเก่งเข้ามาธรรมะจะออกรับพันทันเทียนทีเลยดีไม่ดีนี่เพียงตอนลงขาดสะบั้นไปเลยเวลานี้นี่เพียงจอนยังไม่ได้ย่อนนะแล้วว่างี้นะแล้วพูดโก่งๆงี่น่ะสะพายไปไหนนี่เพียงจอน มันก็ติดย่ามติดย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ะมันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ยพอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้ไม่อยู่ขาดสะ บ, บัน้นลงเลยเหมือนเขาทอดแหแล้ว น, นเองเออกลางแห่ไปที่จะทอดมองไปที่ไหนไมันมีแต่ขี้หมูราขี้มาแห้งอย่างมากก็ไปลซิวกับแห่ผืนหนึ่งแนละ้วมันคู่ควรกันหรือถ้าลงไปพันกับขี้หมูขี้หมานะั้นแล้วเอาแหมาล้างทั้งวันมันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแห่ราคาเท่าไหร่ และขี้หมูขี้หมาไม่มีราคาอะไรบ้างควรหระลึกที่จะไปทอดแหกับกี้หมูขี้หมานี้ธรรมะประเภทศนี้เทียนจอนก็อย่างนั้นเหมือนกันเพราะมันยังไม่ควรที่จะลงไม่ลงซ้ำยังก็ไม่ลงพอถึงกาลเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกขาดชาวบ้านลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหักของเราเพราะเราจนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของบุริเจ้าศา ส, สนาเป็นของจริงบ้างมีจะเอามาพูดงูปลากันอืม จำได้เท่าไรก็มาพูดของจริงไม่ปรากฏในหัวใจไม่พูดมันจะมีน้ำหนักที่ตรงไหนสุดท้ายศาสนาก็กลายเป็นคำพีบาลานกลายเป็นเข้าไปอยู่ในตู้ในหีบล็อกเงาแกไว้ออกมาเพ่งท่านมาได้นะมีใช่กิเลสตีตลาดแหลกหมดเท่านั้นเนี่ยเพราะงั้จึงเอาออกมาบ้างที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทําเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วาะจริง อ, ออกมาชอตออกมาจากหัวใจเทศสารโลกนี่ล้วพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ชอตออกมาจากตาราเราช็อตออกมาจากหัวใจของเรา ออกมาเทศชร์เนี่ยเราจรึงไม่เคยสะโกระทันไม่ว่าทำมากขั้นใดภูมิใดที่จะว่าจะมาติดโลกเถียงสารนี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยชิดเออถึงทีเขาจะเราจะติดเขาว่าเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถามเราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ยเมื่อเราไม่ติดเราสัอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกกรทันนี้นั่นมันก็มีเท่านั้นเองเราจะนี่พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพูดทั้งหลายเราทราบว่านี้ทำของจริงบุริเจ้าคงเช่นคงวานนะ อย่าพากันเป็นบ้าว่ามั่วคนนี้ฟันสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะเออเต็มหัวใจเนี่ยครอบรกทาตนั่นนะมันครอบมาได้สี่ที่แปดสี่เก้าปีตั้งพันสี่ร้อกันสามจนกระทั่งป่านนี้แต่ทําไม่เคยหิวโหยนี่นะเออมีก็เหมือนไม่มีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นประแก่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกออกตามขั้นลำพุงแต่นี้มันก็มีความจําเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทําไงทางด้านวัตถุก็ จะร่มจะจมเหมือแล้วทางด้านจิตใจยิ่งแล้วทีนี้เวลาออกไม่ต้องออกทั้งสองด้านเอาสิทางด้านวัตถุ ก, ก็ยังที่เห็นนี่แหละ อ, อบินท บ, บาทอย่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่มันบกพร่อง อ, อไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ที่มันจําเป็นจริงๆก็คือว่าด้านจิตใจนี่ร่มเหลวมากนะชาวพุทธขงเราจึงได้ฟื้นในทางด้านจิตใจไปที่ไนเทศทางด้านจิตใจนี่มากเหมากทำมาเรียกกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้ กรเทื่อนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะเออธรรมะประเภทเหล่านี้แต่ยังมาถึงแบบนี้เคียร์นี้จร์แล้วก็บอกคง น, นี้แหละถึงขั้นนี้เคียง์ตอนมันจะออกมันเองนะว่ามันไม่ได้เคยบ่ากล้าบ่ากลัวใครนะสามเดืนโลกกระฐานนี่กลัวอะไรไมิสถังขยะกลัวอะไรทําเป็นถังขยะหรือทําเลิะ ก, ก็ะถังกขยะแล้วยจะมากลัวถังขยะมากล้ากับถังขยะอะไรเรื่องโลกของมีโลกมีจิเลสโลกทังขยะทั้งนั้นนี่นะทําท่านเลอะเลอขนาดไหนสายตาของทํามองดูโลกนี้เหมือน มองดูถังขยะนั่นเองแล้วจะมากลัวทังขะยะหาอะไรมากล้าทาังขะยะหาอะไรทำคําเล่นเลยจริงๆแล้วงั้นไปอย่างนั้นนะ<ม>ถ้าการตั้งองค์กงใจนะเวลานี้ศาสนาของเรานี้เราสลดสังเวช ท, ที่เราได้ยินคําผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานั้นะามาพูดหาที่ต้องถี่คำว่าได้เขาเป็นผู้มีเจตนาวังดีอุปถัมบทาบํารุงศาสนาแล้วมาพูดนะแล้วสะเทือนใจแล้วมากนะเขาพูดถึงเรื่องว่า ศาสนาก็คือพิกษูนี้เป็นหัวหน้าให้ความร่มเย็ยนแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานอย่ชาวพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยู่ใต้ร่มโพล่มไสแห่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาวางกันนะท่านเวลานี้มานี่ดูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นและสุดท้ายเขาก็ย่อนออกมาว่าพระนี่เป็นอันหนึ่งในการทำลาศาสนาว่างั้นฟังยิน่ะมันน่าอายเข้าไหม พระนี่เป็นอันตรายอันดับหนึ่งในการทําลายชาติศาสนา น, นัทําไมข้างพี่นายเย่ทำลายแบบงเงียบๆว่างี้นะแบบไม่ต้องมีกระตกกระตากไม่มีปีกมีขลุยไม่มีปืนผาน้าไม้แหละไม่มีดังเคี่ยวดังก๊อกก๊แ ก, แกบแกร บ, กบละแต่มันกืนอยู่ภายในกินภายในจมอยู่ภายในเนี่ยสกกระปงอยู่ภายในว่างั้นนะต่างคนต่างทำลายอยู่ภายในภายใน เวลานี้ศาสนา น, นี้จะจมพอ่อพระสงฆ์เป็นผู้ซ้ำเป็นเป็นผู้พาให้จมเป็นอาดับหนึ่งเขาว่างไงเราสรุปสังเวชนะฟังแล้วพิจนณาสีหมู่เพื่อนว่าไงเขาพูดํานีเขาไม่ได้นะถ้าเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งเขาตั้งเราเหมือนกันหมดนั่งอยู่เวลานี้มันก็เหมือนกันจะให้ว่างไงถ้าจะคิดให้คิดถ้าจะแก้ให้แก้นะต่างคนต่างนั้นอย่าเป็นผ้าหน้าด้านนักศาสนาทำลาศาสนานะ พระเรานี่หัวเราอน้นเป็นเพศที่ร่มเย็นถ้าทำไมจึงกลายเป็นอันตรายของชาติบ้านเมืองและศาสนาได้เนี่ยก็เพราะความเล้วแหลกแบกแนวของกิเลสมันขยี้ขยําหัวใจพระให้สแสดงออกเป็นฟืนไปต่อชาติศาสนานั่นเองท้งหลายบพิจารณนะข้อเนี้ผมฟังแล้วผมสรุดทางเวทนะเอเขาพูดหาที่จะหนีเขาไม่ได้นะเขาเป็นผู้เขารลนับถือศาสนาเขาเป็นห่วงเป็นให่เขาก็จะเห็นอยู่ในทุกแห่งทุกหนนัเนี่ยเขาจะมากล้าพูดได้ไงเขาไม่เห็นก็มาพูดได้ยังไง เห็นพระเป็นเพื่อนพันธท่านทำลายศาสนาอยู่ทุกแห่งทุกหตนตําบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันโอดไม่ได้มันก็ต้องคิดที่คนเราอาจอั้มใจจะตายเขามาระบายกับครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือหันเขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เราก็ฟังแล้วสะดุดเก้อเลยเท่านะ้โอขนาดนี้เราเลยว่าหันให้พระคำพิจนารณานะอย่าให้เป็นอันตรายต่อนะศาสนาไม่เคยเป็นอันตรายต่อโลกเราเป็นเป็นพระ เป็นผู้นำประชาชนยาเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นอัตราต่อชาติต่อศาสนานะให้เป็นที่ดีมงคลเิ็นที่ร่มเย็นไปที่ไหนพึงไทแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ตามไม่มีวัดมีวานี่แห่เหี่ยวแห้งจิตใจนะไปที่ไหนก็ต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเพื่อมีร่มโพรีมใสเป็นที่อบอุ่นร่มเย็นนั่นน่ะเป็นอย่างงั้นนะแต่พระกลายเป็นจนเป็นมารเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองซจริงๆแล้วใจเขาพึ่งไทยให้เราพิจารณาซิเรื่องเหล่านี้น่าพิจารณาเอามากนะ ศา ส, สนาจะจมไปด้วยพวกเรานี่มันมันมีอย่างหรอือว่าว่าพวกเราเป็นผู้นําของการของการบําเพ็ญศาสนาแล้วกลับมาเป็นผู้นําในการทำลายชาติศาสนาของของบ้านของเมืองแล้วเป็นเป็ น, ปนมันน่าฟังไหมพี่นาซี่นี่แหละผมจะลดสองเวียนนี่นะให้พากันพินีจพินาตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะนี่ผมยิ่งแก่ลงทุวันทุวันเป็นห่วงเป็นใหญ่โลกห่วงมากทีเดียวเลวลานี้การแสดงธรรมจึงมีหนักมีเบาอืม เพราะความห่วงใยเพราะความเมตตาการแสดงธรรมนี้ก็วันนี้รู้สึกเหนื่อยล้วะอะละพอบุไปบุญมาคอแหบพระยังที่มาอยู่ด้วยกันนี้ให้เป็นเหมือนวัยวะเดียวกันนะใครจะมาดื้อด้านมาทิฉิมานะบวดรู้อวดสาห์ขวางหมู่ของเพื่อนนะเราเป็นเพื่อนของพระให้อภัยกันง่ายที่สุดคือพระเรายอมรับเหตุผลคือพระเรานะถ้ามีทิฉิมานแล้วไม่ใช่พระนะอย่าให้มีในวัดนี้นะ มีสอนจนแค่เป็นช้ำตายแล้วยานผลจะเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะเพราะว่าปัจจุบันทุกถึงทุกอย่างนะผมให้ไปเกี่ยวข้องกับผมคือให้ทางานเหล่านี้เท่ากับทํางานกับผมเองอาจารย์ยูเม่พันเตโฮฮินั่นท่านทั้งหลายกล่าวเลยขอถือเราเป็นครูเปรนาจารและให้ได้นาตักเตือนสั่งสอนภาระอของท่านทั้งหลายที่จะปัจจุบต่อเราก็ก็มีแล้วในคําขออนุสัยให้ทำหน้าที่เหล่านี้ กางคนต่างสงใจในความวัดปฏิบัติทังกลนะนั่นแหละคือทํางานเพื่อเราสงกับอาจาจรย์ยูมีไม่ไปเกี่ยอกับเราให้เกี่ยวกับงานนี้ที่เราสั่งพอพูดข้างนี้ผมก็เลยที่พอแม่ครูจ้างท่านว่าใหอยู่กับท่านก็คือผมนี่แหละติดแน่ตลอดเวลาผมต้องเข้าก่อนเข้าก่อนขนบริขานออกมาให้หมู่ให้เพื่อนหมู่เพื่นอนคอยอยู่ของเราผมเข้าข้างใน ขนออกมาขนออกมาที่นานเขานานเขา้าท่านคงจะคิดทั้งข่านเงเอพระผู้ยิ่งัญอายุพัรษามากแล้วก็เ อ, อไม่ต้องมาทําข้อวัดปฏิบัติของเราอะไรมากนะก็ได้นะว่างเที่ยงอยู่ห่างคอยอยู่ยุงห่างก็ได้ให้พระเนี่ยทบวชใหม่ๆมาลูกภาษีภาษาเรามาทำข่าววัดเดี๋ยวมันจะไม่มีสายติดหัวมาเลยว่างเลยนะผมไม่ยึง น, นะ พระเราพระผู้มีพรรษาแล้วผู้ใหญ่แล้วก็คอยอยู่อยู่ข้างนอกนะคอยสังเกตดูอยู่ข้างนอกอเกออกห็นไหพรได้ให้พวกนี้เข้าไปทําพราะวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีสายติดหัวมันแ่้นะพระคำว่างนะันนะมืคอานพูดกลงไปลงมาพระแม่คงจันเราจากนั้นเราก็ไม่เข้าละแต่อันนี้ยหมู่ขวหน่อทุกอย่างเข้าบริการใครก็เป็นคนเข้าและเป็นคนสั่งคนที่ควรจะเข้าห้องท่านได้เราให้เข้า แล้วกคนออมาให้ผมนี้รับไปแล้วไปใครแล้วบริกัรอันไหนแล้วอย่าให้ก้าวไก่กันนะนี่เราสังขาดสังขาดใครเคยเอาบริกัรอันไหนให้ออกมาอย่าก้าวไก่กันอ응ืเราก็คอยดู่จอยู่ยข้างนอกอยู่จอยู่ข้างนอกตลอดมาบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็มาอยู่บันไดแต่การประกวาศข้างล่างนี่เรามา ท, ทําผู้วันบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็อยู่ในบันไดคอยดูท่านเงินเอาของออกมานั่นแหะขนาด น, นั้นเราเอาใจใส่หมูห่บ้านพ่านเงิ กูบาดจงติดแนบตลอดถ้าไม่เห็นเราขึ้นไปสักสักสักสองหรือสามวันจะสรงหน้าเราก็ไม่เลยสามวันเนี่ยมันจะขึ้นตอนตอนเช้าฉันออกจากห้องที่สองวันเว้นไปวันที่สามจะขึ้นวันที่ฉันก็ถามถามพ่อหนึ่งนะเห็นไม่เลยด่านจับตลอดพระผมที่ยฉนจับมากจริงๆเ่ยมากเกี่ยวกับผม ข้าไม่เห็นเราคุ้นแฝงขมานามาไหมนี่แต่ท่านเองก็ถามพระพระนนั้นแล้วท่านไม่เกี่ยวกับเราแล้วท่านพูดอะไรนี้พระอย่างจะบอกเราหมดเรื่องเกี่ยวกับเราแล้วพระอย่างจะบอกหมดขมานามาไหมมาอยู่ข้างล่างเงียบไปเลยเนี่ยนัท่านจับแลื่อน้นนั้นเหมือนกับว่าปล่อยไปแล้วเลยไม่สนใจกับข้ากับข้อวัดประยุวะท่านความหมายก็ว่าว่าม้าอยู่ข้างล่างค ข้างหาดแล้วราก็สองสองวันรู้ส่วนมากไม่ค่อยสองวันแล้วก็ขึ้นเหื่อยเอเวลาอออกห้อมาเราก็ขึ้นไปรออยู่ดูค่ะดูเนิลยถ้าไม่ขึ้นเราก็อยู่ข้างล่างปักกวาดอะไร่ง้ยแล้วออกเดือนยังกลมมีคนอกก็นิสัยของผมคือใช้กับท่านเท่าเวลาห่างไม่ได้นะเพราะพระเนยมันซ่าซ่าอันนี้อันหนึ่งที่ผมหนักมากคืออยู่น้อผึ่งนะจนอกคนตั้แต่ผมคนเอา เือคูอเพราะนั้นผมย้เลยว่ามาอู่ที่นี่มันก็เหมือนที่นั่นนะว่างเลยผู้ที่อกก็แตกก็มีคอยููแลพา่อนอย่างไอ้วุ้นีเก่งๆกั้งๆไม่ได้ไม่มากตีมากกว่ามันก็มีนะในวัดเรานี่นะใครชมันเป็นอางนให้เนอย่านี้เลย่าจะอาไว้นะข้อสอนกันจะไม่จะเหมแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนเราเริ่มอยู่แล้วนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าขีของตรงตงที่มาอยู่ทีเกงขกล้งได้หรออ๋อหน้ามาจากไหนเานาป่าๆเต่นพี่เดอดันหา อย่าเอาเข้ามาขวางวัด น, น, นะวัด น, นี้เป็นวัดชำระขี้เ่นะมันขวงอยู่ทีุ่ผู้รัดเอาพู้นั้นให้ชำระตัวเองอยพยายามจุกจดแล้วก็หมู่กขบเครื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อย่างผมเล่าให้ฟังะเลมผมทนพวก พ, พ่อแม่ครูอาจารย์โอ้โอกผมจะแต่คู่ดูแลพ้าหนึ่งนะความเรียบร้อยนะ่ะทุกอย่างเลยมันเล่าไปแล้วกลผมต้องติดต้องแนบต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาองค์ไหนว่ายู่เอามาตี้เลยนะ เอาขนาดนั้นนะบพรานั่นพระเร่ทั้งกลัวผมตลอดนะใครมาคลื่ผมมาได้